ภาวนาไปฟังไปที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่เราสวด <c oughs> พระสูตรใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เราจะสังเกตเห็นว่าผู้ที่ท่านฟังเนี่ยเป็นผู้ที่ท่านมีบุญทั้งนั้นเช่นอย่างธรรมจักกับปวัฒนาสูตรเงี้ยพระอัญ า, ากโกธยะได้ดงตาเห็นธรรม ท่านแค่ใช้เวลาฟังทรงกระแสะจิตไปตามธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าถึงกระแสะธรรมกระแสะธรรมกระแสะธรรมก็คือกระแสะของอนิจจังทุกขังอนัตตานะกระแสะธรรมธรรมธรรมธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทอง หมายถึงกระแสของหลักธรรมชาติในโลกที่มีประจำอยู่ในกองสังขารกองสังขารใดก็มีทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีพระ ญ, ญาคุณทันยะท่านได้ส่งกระแสจิตตามท่านมีบุญท่านเป็นพระสงค์องค์แรก ในพระในพระศาสนาเนี่ยเป็นพระสาวกอง์แรกที่ได้เข้าถึงกระแสธรรมก่อนใครอื่นทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบุญท่านี้ว่าปะพัทยามหานามาสชิในบรรดาปัญจวัคคียิชิี่ยังเหลือเนี่ยยังไม่ได้บรรลุในตำนานว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยพระกินนักกะ คำว่าปกินกะธรรมก็คือธรรมะปกินกะทั่วๆไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระสูตรสูตรใหญ่แบบธรรมาจากักรก็เลยได้ทยอยได้กันไปวันที่สองวันที่สามวันที่ ส, สี่วันที่ห้าได้จนถึงพระสิชิได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งหมด ไปเป็นพระอริยบุคคลทั้งหมดเป็นพระอริยะบุคคลคือเป็นพระโสดาบันบุคคลทั้งหมดเสร็จแล้วอนัตตาลคณสูตรก็ห้าทั้งห้าองค์นี่แหละเด้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสองกัรการธรรมจักกับกะะารอนัตตาลคณสูตรก็นี่คือผู้มีบุญเท่านั้นแหละผู้มีบุญถึงแล้ว ตาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้เห็นกระแสของสังขารที่เป็นไปอยู่ประจำอยู่ในโลกด้วยญาณนัสนะรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแลพระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงในวันที่6แสดงอนัตตลักษณะสูตที่ที่เดิมนั่นแหละที่ปายสิปตนะมริกธายาวันนั่นแหละ สแสดงตัว น, นั้นแหละสแสดงถึงหลักว่าด้วยอนัตตา อ, อะไรชื่อว่าอนัตตาสับบังพิกเวอนัตตากินจะพิกเวสับบังอนัตตาอะไรชื่อว่าอนัตตาอนัตตาดันไล่ไปไล่ไป สักพูชมุกลิ้นการใจอนัตตาสัว่างพิกฆเวยอนัตตากูบัญจัยดังพิกฆเวยจักคุ้งพิฆเวยอนัตตา ฟังพิกเวอนัตตารูปปัญจายดังพิกเวยอัตตาภาวิสสะรูปคือร่างกายนี้แหละเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนถ้าเป็นอัตตาก็เป็นตนด้วยเหตุที่ไม่ใช่อัตตา จึงเป็นอนัตตาก็รูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธถ้ารูปนี้เป็นอัตตารูปนี้ก็ไม่เป็นไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธแล้วก็สัตว์ก็ตั้งหลายสัตว์ทัางหลายก็จะได้ตามความความหวังในใจว่า รูปเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุใดเล่าพิสู์ทั้งหลายรูปจึงเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสัตว์ไม่ได้ตามใจหวังว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลย ด้วยเหตุที่รูปนี้เป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธตัดไม่ได้ในรูปตามใจหวังว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวทนาก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันท่านไลไ่ไปไล่ขันทั้งห้าเนี่แหละ เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาของเราอย่าได้เปลี่ยนอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุใดลราพิสูจ์ทั้งหลายเวทนาจึงเป็นอนัตตาเพราะเหตุไม่ได้เป็นไปตามใจหวังนี้เองเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออาพาธไม่ใช่อัตตา ถ้าอัตตาก็คือได้ตามความปรารถนาใจมันปรารถนามันมีผู้พาให้ใจปรารถนาผู้ที่นำใจปรารถนามีความคิดมีความอยากได้คิดเข้าตัวคิดข้างตัวก็คือตัณหาความอยากมันอยากไม่อาภาัดตัณหาคือความอยาก อยากไม่อาพาธอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บเจ็บคืออาพาธอยากไม่ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากโยสุขสบายอยากได้ตามใจหวังความอยากของใจกับความเป็นไปของกายมันคนละเหตุคนละปัจจัย มันคนละเรื่องมันเป็นหินหักต่อกันไม่ได้เลยแต่ความอยากของตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรามันเกศเกศเกณข้อยสมหวังขอยสมหวั ง, ข อ, งขอยได้ําใจหวังขอยได้ตามใจหวังเราไม่ต้องดูไปที่อื่นเราดูมาที่ใจของเราใจของเราโอ้โมันปรารถนายิ่งใหญ่มาก หวังอย่างนู้นก็ผิดหวังหวังอย่างนี้ก็ผิดหวังในที่สุดเราก็มาทุกข์กับความผิดหวังทั้งนั้นเรามาสังเกตดูมาพิจารณาดูผิดหวังเออเราหวังจะเป็นอย่างงี้อ้าวทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะหวังจะเป็นอย่างนั้นอ้าวทาไมเป็นอย่างงี้หวังจะเป็นอย่างนี้อ้าวทาไมเป็นอย่างงั้นคือไอ้ความหวังคือใจมันหวังเนี่ย แต่มันไม่สามารถจะเอาใจไปไปบังคับได้การมีริทมีเดชของพระสงฆ์ของพระสาวกแม้แต่ของพระพุทธเจา้าด้วยพุทธานุภาพพระพุทธเจ้าท่านใช้ได้บ้างพุทธานุภาพท่านใช้ได้บ้างใช่ริทใช้เดชใช้อภิญญาริทเดชอภิญญานี้เป็นริทของใจนะเป็นริททางใจ เรื่องของอภิญญาเป็นทิศทางใจถึงกระนั้นก็ตามก็ไม่สามารถจะยับยั้งกายนี้ได้เพราะสิ่งที่หนุนกายหนุนกายให้กายนี้เป็นไปอยู่ได้ก็คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเหจจยมือนอย่างที่เคยอธิบายไผ่ผ่านไผ่เหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้เรารู้ว่าเหตุปัจจัยของกายนี้ คือดินคือนา้าคือลมคือไฟเป็นเหตุว่าเราจะต้องมาศึกษากายให้รู้ความเป็นไปของกายเพราะกายของเรานั้นมีที่มามีที่ไปมีที่มามีที่ไปที่มาของกายก็คือได้เขาโครงมาจากพ่อกับแม่ ที่ไปที่มาของกายที่เกิดของกายพอกายประจบเหมาะกันปับ๊บจิตวิญญาณก็เข้าไปสวมรอยอยู่ในนั้นเนื่องว่าเนื่องจากว่าจิตมีตันหาอยู่จิตสแสวงหาที่เกิดอยู่แต่ก็จะไปได้ตามบุญตามกรรมมีบุญมีกรรมพอจะได้อัตภาพมนุษย์ใจก็จะมาสวมเรือนร่างของมนุษย์ ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้เป็นมนุษย์นู่นก็ไปจับจองเรือนร่างของสัตว์น่ะเกิดเป็นสัตว์นั้นเกิดเป็นสัตว์นี้ผู้รู้คือจิตดวงนั้นไปสวมเรือนร่างเขาเฉยๆหลังจากไปสวมเสร็จแล้วยึดละเกินยึดยึดยึดยึดยึดยดยด้วยอัตตาความยึดมีอยู่ในใจ ความยึดมีอยู่ในใจอัตตากับอนัตตามันเป็นเรื่องของจิตเพราะจิตยึดก็ว่าเป็นอัตตาโดยเหตุที่ตั้งใจจะยึดแต่ยึดไม่ได้ด้วยภาวะที่ยึดไม่ได้แหละจึงเป็นอนัตตายึดไม่ได้ตามใจววามของจิตจึงเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตน ถ้าตนต้องบอกได้ต้องบังคับได้โดยเหตุที่ไม่ใช่ตนจึงบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกายก็จริงอยู่แต่หลังจากมาสวมเรือนร่างแล้วเนี่ยกายก็ทำหน้าที่ไปส่วนของกายไปจิตก็ทำหน้าที่ไปส่วนของจิตแต่ก็มาบังคับกายนี่แหละเพราะกายเป็นสมบัติของจิต จิตมาบังคับกายก็เหมือนที่พูดให้ฟังแหละบังคับได้แค่อิริยาบถบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนเท่านั้นเองบังคับให้ไม่ไม่ให้มันเป็นไตรละเนี่ยบังคับไม่ได้ถ้าบังคับไม่ให้เป็นอนัตตาได้มันก็ต้องเป็นอัตตาสิถ้าบังคับได้ต้องเป็นอัตตาอยู่ในเงื้อมืออยู่ในอำนาจของการบังคับได้เนี yeah. ่ย ด้วยเหตุที่บังคับไม่ได้จึงเป็นอนัตตาทั้งรปูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณ เ, เป็นอนัตตาวิญญาณนางอาบาทายะสรงวัตติเป็นไปเพื่ออาพาธวิญญาณก็เป็นไปเพื่ออาพาธ เวทนาก็เป็นไปเพื่ออาพาธสัญญาก็เป็นไปเพื่ออาพาธสัญญาเป็นไปเพื่อเพื่ออาพาธสัญญาคือความจาได้ไหมายรู้ของใจก็เป็นไปเพื่ออาพาธเหมือนอย่างเมื่อวานเราพูทธรรมเราอาภา พ, พุตตะเจ้าไปลอยถาดฉันน้ำแล้วไปลอยถาดที่ฝั่งแม่น้ำคงคา มันไม่เคยจำมาเลยแม่น้ำคงคาไปลอยถาดเนี่ยแม่น้ำเนรัญชรานี่มันออกไปได้นะนี่สัญญาสัญญานิจาตสัญญาทุกขาสัญญานิจจาสัญญาอนัตตาให้เป็นไปตามใจฝังไม่ได้สังขารอนัตตาสังขาร สังขารในที่นี้คือสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงดีปรุงชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงชั่ว ส, สังขารสังขารใจดังพิกเว อ, อัตาภาวิตสังสุขก็สังขารทั้งหลาย จักเป็นอัตตาแล้วสังขารทั้งหลายก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธจัดพึงได้ในสังขารตามใจหวังหวังยังไงเขาได้อย่างงั้นว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุใดเล่าพิสูจน์ทั้งหลายสังขารจึงเป็นอนัตตา เพราะเหตุนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธมันเป็นไปเพื่ออาพาธทำไมมันจึงอาพาธมันไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากรูปเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเป็นสุขเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งเป็นทุกข์เป็นอ้วนเป็นผอมเป็นผีเป็นหมอเป็นคล้่เป็นผ่องเป็นแพ้แล้วแต่มันจะเปลี่ยน สักย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายตามใจหวังวิญญาณก็เหมือนกันวิญญาณวิญญาณวิญญาณในที่นี้ท่านหมายถึงวิญญาณนักขันท่านหมายถึงวิญญาณนักขันวิญญาณวิญญาณในขันทั้งห้าเป็นวิญญาณในในวิเป็นวิญญาณนักขัน วิญญาณนักขัคือความรู้ปรากฏเกิดขึ้นจากตากระทบรูปตากระทบรูปปับ๊บเกิดความรู้สึกทางตารู้แจ้งท่าเรียก ว, ว่ารู้แจ้งทางตาวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณขานะวิญญาณสิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมะโนวิญญาณรู้แจ้ง รู้แจ้งเวลาอายตนะภายนอกภายในมันกระทบกันรู้แจ้งเช่นอย่างตาเราไปเห็นรูปเนี่ยรู้ชัดเจนโอ้รูปดํารูปแดงรูปเขียวรูปขาวซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาที่จะต่อช่วงไปมันก็เป็นเรื่องของวิญญาณในขณะเดียวกันก็สังขารนะี่มันเปน็นตัวปรุงเขาทางานแต่และขณะเขาประสานกันทั้งหมดประสานประสานกันทั้งหมด แต่พอพูดมาถึงตรง น, นี้ก็เหมือนกับมวนมวนเสือดูเหมือนจะเป็นคันคำถามตอบถามตอบถามภิกษุที่ฟังยังปณ น, นิจจังลูกข้างวาตัง ดุขข้างวาติยมปนาณิจังดุกข้างวาตังสุขข้างวาติดุกข้างพันเทนเป็นไปเพื่อทุกยมปนาณิจังดุกข้างวิปริณามะธรรมังเป็นไปเพื่อแปรปรวนเป็นธรรมดา วิทนาก็เหมือนกันถามตอบถามตอบถามตอบผู้มีบุญเท่านั้นท่านฟังพอหลังจากฟังเทศการนี้จบท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดล น, นิบินตตินิบินตตินิบินตติเบื่อหน่ายทำให้เกิดความเบื่อหน่ายวิรากาวิมุตติคลายความติดจิตก็ผลคลายความยึดติดจิตก็ผลวิมุตตินิมิติญานางหตีเมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าพ้นแล้วยาณบอก ขีณาชาติวุสิตังบ ร, รมจริยังอริยาสาวกนั้นย่อมทราบชาัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์เราได้อยู่จบแล้วนาปรังอิทธตายาติประจานาติกิจที่ควรทาเราได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระควาอิดัมโมโยจพระควาพระผู้มิระภาคจเจ้าได้ตรัส พระสูตรนี้จบลงอัตตมนาปัญจวัคคียาพิคุเ ข, ว า, ว า, า, ว ข, ขาว่าตัวพาสิตังพินดวงพิสุตัปัญจวัคคีมีใจยินดีเพลิดเพลินในพาสิต ข, ของอุ้ยพระภาคเจ้า อ, อิมัาาสมินจะพนาวัวการสมิงพญมาณีก็แลเมื่อไวยากรไวยากรณะนี้อันพระผู้มีพระภาค เจ้าตรัสอยู่ปัญจวัคคียานางผีคู่นางจิตของพระปัญจวัคคีพ้นแล้วลุปป า, ายะอาสเวเหิจิตาวิณิวิมุตยิงโชติจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายเห็นโทษถอนถอถอเบื่อหนยถอยถอยถอยถ อ, อนถอน ผลทุกผลโทษไม่ถือมั่นด้วยอุปาท า, า, านเมื่อหมดเมื่อหมดอุปาทานเนี่ยมันก็หมดพบมันตัดขาดอุปาทานตัดขาดจากอุปาทานจิตไม่ได้ถือไม่ได้กินกับพ้นสอนปัญจวัคคีย์อธิตะปลายาสูนั้นสอนฉดินสอนพวกฉดินพวกชดินนั้นก็มีบุณ เนี่ยพระสูตรสองสามพระสูตรนี่คนมีบุญเท่านั้นฟังปุ๊บบรรลุปับพอจบก็ได้บรรลุบรรลุพร้อมกันเลยอริยตปริยยาญาสูตรเนี่ยบทกบดินชดินสามพี่น้องมีบริวารรวมแล้วเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันบริวารไปตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำแม่น้ำขยาแม่น้ำขยา โรุเวลากระสปะตั้งอยู่ต้นน้ำน้ำมันไหลนาทีกสปะตั้งอยู่รองลาดับลงไปนาทีกะสปะขยากสปะรองลงไปอีกน้องชายคนที่สองคนพี่มีบริวาร500รคนที่สองมีบริวารสามร้อนาทีกรสปะขยากสปะมีบริวา 200, รสองรวมเป็นหนึ่นปตั้งอาสมบําเพ็น บำเพ็ญตบะด้วยการบูชาไฟพวกเชดีพวกนี้บูชาไฟพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์โปรโดปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วมีพร ะ, พระอรหันเกิดขึ้นในโลกที่สาวัตถีเมืองพาราณสี ปราริสิปัณณมรุกขทยวันแข้งพารานสีคนละแว้นนะกับที่พวกดินเขาอยู่นะคนละแว้นเลยแหละคนละภาคไปเลยแหละถ้าจะเทียบอย่างบ้านเราเมืองเราคนละคนละภาคไกลกันไกลกันบ้างหลังจากพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าโปรด สหายของยักษะศั์รวมทั้งออกชื่อไม่ออกชื่อเนี่ยห้าสิบต่อมาก็ได้โปรโดโปรโดอะไรเนะี่ยสามสิบที่ไร้ฝ่ายออนนพอหลังจากโปรโดชดินอพอหลังจากโปรโดเพื่อนของยักษะศั์รวมทั้งหมดห้าสิบ เท่าไนะหกสิบหกสิบกับอะไรนะสหายของยัะที่ออกชื่อที่ไม่ออกชื่อห้าสิบที่ออกชื่อห้า รวมเป็นเท่าไหร่ดูแต่ว่ารวมทั้งหมดเป็นหกสิบนะพระองค์จึงทงปป่ทงไปประกาศส่งไปประกาศศาสนาพวกเธอทั้งหลายจงไปรีบนำธรรมะนี้ไปบอกสอนกับชาวโลกเขาอ่ารีบเอาธรรมะนี้ไปดับไฟที่ร้อนอยู่ในใจของเขาให้ต่างคนต่างไปไปคนละทิศคนละทาง ไปแห่งละคนแห่งละองค์แห่งละองค์ไม่ได้ให้ไปด้วยกันแม้แต่เราก็จะไปพระ อ, องค์ทรงตรัสแม้แต่เราก็จะไปที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวนแขวนมคตเมืองราชคฤตที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอยู่ราชคฤตคนละแควนเลยนะถ้าใครเคยไปสาวัตถีสาวัต ถ, ถีกับราชคฤต โอ้นางรถกันเป็นวันๆเละไปอินเดียนนางรถกันเป็นวันๆนะพุทธเจ้าเสด็จจากป่าอิสิปฒนาเมือกทายวันไปแคว้นราชครืไปโดยลำพังพระองค์เองไปพักที่อาสมของฉดินไปขอข็พักฉดินพวกนี้บูชาไฟเขาก็พยายามปัดไม่อยากให้อยู่ ไม่อยากให้นุ่นไม่อยากให้นีอขอเราขอไม่มีที่พักไม่มีที่พักแล้วขอพักหลังนั้นโอ้หลังนั้นมีงูพิษมีพญานาคตัวร้ายมีพิษเออไม่เป็นไรดอกขาไม่ทำอะไรดรอกร อ, องก็ไปพักแต่พวกนี้ก็ไม่แน่ใจกลัวพระสมณะโคโดมเนี่ยจะถูกพญานาคเล่นงานงยงั้นในในในในตำนานก็พระองค์ก็ไปสู้กันกับพญานาคอด พอสมควรอยู่แต่มันสู้ฤทธิ์ของอุติชาไม่ได้มันพ่นไฟมาพระองค์พ่นไฟอมแล้วมันพ่นควันมาพระองค์พ่นควันตอบทํายังไงทําต่อได้หมดในสุดแพ้แพ้พระองค์อริอย น, นาแพ้หรือได้นอนได้พักอยู่ในนั้นนี่ก็เห็นฤทธิ์อุโรเวลาก็จะปะก็เห็นฤทธิ์ โอ้พรสนะสัมมาสัมพุทมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอาหารหันต์ก็รู้จักมาก่อนแล้วคําว่าพระอาหารหันต์คำว่าพระอาหารหันต์นี่ข้รู้จักมาก่อนนะพระองค์ไปทรงทรมานด้วยด้วยด้วยอิทธิปาฏิหาริย์หลายอย่างได้ยินว่าเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันอย่างนะ รูปเวลาคสปานเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยแต่ไม่พ้นที่จะคิดว่าตัวเองสู้ตัวเองไม่ได้ตัวเองเป็นพระอรหันเนี่ยความสําควัญว่าเป็นพระอรหันแต่เขาคงไม่เคยเห็นอรหันจริงของจริงหรอกคงจะมีความนึกคิดในในยุคนั้นในคนยุคนั้นในสมัยนั้นไม่เคยเห็นอรหันตัวจริงอรหันของเขาแท้ๆคืออะไรกรับมาุกไม่เคยเห็น พี่เจ้าทรมานจนดินยอมรับใจของชดินยอมรับพระองค์สอนข้างนอกด้วยพระองค์ย้อนดูใจเขาข้างในด้วยสุดท้ายก่อนที่จะยอมในยีนอวันนั้นะฝนตกหนักน้ําท่วมหมดเลยบริเวณที่พุทธเจ้าอยู่ตรงนั้น น, ะน้ําท่วมหมดจนแจวเรือไปได้ไหมจนเจวเรือไปได้พอฝนหยุดก็ จะดินกับอาจารย์เนี่ยชวนอาจารยอา์อาจารย์ชวนชวนไปดูไปดูสิพร ะ, ระสมณโคดมไม่ใช่ถูกน้ําพัดไปแล้วเลยลไปก็พากรแเจวเรือไปเสด็จขอน้ําท่วมเลยแหละไปเขาพุทธเจ้ากับเดินจงกรมอยู่นะกลายเป็นว่าน้ํามันเป็นกําแพงกัน้นน้ําซะเองน้ําเหลือตรงที่พระองค์เสด็จเดินจงกรมที่ฝุนคลุ้งอยู่เนะี่ย น้ำท่วมไม่ได้แต่น้ำมันสูงกว่าอยู่แต่พื้นที่พระองค์เดินตรงนั้นน้ำไม่หลงเข้าไปท่วมก็เลยอัศจรรย์เลยอัศจรรย์โอ้มีฤทธิ์ ม, มากพระสมณโคดมมีฤทธิ์ ม, มากมีอนุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้ยอมใจนี่มันยอมเต็มร้อยเลยอุรุปัส ป, ปะใจยอมเต็มร้อย พอใจ ย, ยอมเตรียมร้อยผู้ริเจ้าท่านดูเห็นเขายอมเตยมร้อยพระรก็ใส่เลยกษัตริเธอสําคัญเธอเป็นเจ้าจของเป็นพระอาหานแท้ที่จริงถึงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเธอก็ออยังไม่รู้จั ก, นกนจเนี่ยถูกแทงใจดําเลยหัวขา อ, อ่อนโยกกราบปลกุปลกปลกุกปลุกขอบวชนี่ยคนที่ราบปลุกปลุกขอบวชแล้วทิ้งบริขารให้ลอยน้ํา ทิ้งบริขานให้ลอยน้าไปคนน้องกลางเห็นมากบวชลอยบริขานอีกคนสุดท้องเห็นมาที่สํานักพี่ชายแล้วเห็นบวชหมดพี่ชายก็เลยพามาบวชจนหมดหลังจากบวชหมดต้องเป็นพันองค์เสร็จแล้วผูเจ้ากพาพาไปแสดงอธิตตปริยญาสูตรที่ต้นน้ําขยาขยาศีษะขยาศีใ ส, ส, สต้นน้ําขยา ไปแสดงเรื่องนี้แหลอะอาทิตตปฏยัตยสูนี่แหละนี่พวกนี้ก็มีบุญนะพวกเชิดดินเนี่ยพอหลังจากแสดงจบได้เป็นพระาราหันทั้งหมดเลยนี่นี่คือพวกมีบุญมีบุญได้บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมไปด้วยและบรรลไุไปด้วยเพื่อแสดงธรรมจบแสดงตามจบ บรรลุธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปทําไม่ต้องจําไปแล้วไปทําซ้าแล้วซ้ำอีกซ้าแล้วซ้าอีกเหมือนอย่างที่พวกเราเนี่ยคือพวกนี้มีบุญเป็นพวกมีบุญพระสูตรทั้งสามสูตรเนี่ยแสดงกับพวกมีบุญสามารถบรรลุได้ทันทั น, ทนตาเห็นไม่ต้องเอาไปเร่งไปทําไปนุ่นไปนี้นีพระสูตรอาที่จะปริยยสูตรว่าด้วย ความร้อนนะอธิตตาปริยายาสูตรเนี่ยทำไมท่านจึงแสดงเรื่องความร้อนก็เพราะพวกนี้มันบูชาไฟสับบางภิกขวยอดิตตังเนี่ยสับบางภิกขเวยอติตังดูก่อนพิสุทธ์ั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนจักสุ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อ น, นตาในตาเป็นของร้อนตาในตาคือตัวประสาท ต, ตาเนี่ยตัวที่พ้าเห็นเป็นของร้อนร้อนเพราะมันเป็นเครื่องสัมผัสให้เกิดราคะไปสัมผัสรูป ไม่ใช่ตาร้อนแต่กลายเป็นว่าใจร้อนจักสุคือในตานเป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนตาคู่กับรูปอัยตนะัายเมื่อโดยสรุปแล้วก็คืออัยตนะภายในหกอัยตนะภายนอกหกวิญญาณหกพัสสะหกเวทนาหกเนี่ยเป็นไฟเนี่ย เป็นไฟแสดงถึงอายตนะภายใน6อายตนะภายนอกหกัสสะหวิญญาณหเวทนาหร้อนเพราะไฟไฟไม่มีเปลวไม่มีควันร้อนเพราะไฟคือราคขินาโทสักินามุหคขินาราคะขินาโทสักขินามหุหคิน า, ร, า, น า, ร, น า, นาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ เป็นไฟที่ไม่มีขีเท่าไม่มีควันไม่มีเปลวแต่ร้อนยิ่งกว่าไฟที่มีควันมีเปลวไฟเหล่านี้ร้อนเพราะความเกิดอาดิตังชาติยาเจรามรณะมารณีนะร้อนเพราะเกิดเพราะความแก่และความตายเพราะความโศกความร่าไรรำพันโศกปริเทวะ ทุกขโทมนัสแท้เหตเพราะความทุกข์และความเสียใจความขับเคี้ยวใจเราจึงกล่าวว่าเป็นของร้อนนี่นี่คือร้อนของพระพุทเจา้าสิ่งเหล่านี้เป็นของของร้อนร้อนกว่าไฟนั้นสิหูเป็นของร้อนเสียงหูเป็นของร้อน เกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเนี่ยร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะนี่อธิตัปริยยสูตรแสดงจบพวกชะดินทั้งหมดก็เบื่ อ, อ จักคู่สัมผัสชาวประชาชนดยจตังสุข้างวา่าดุข้างวา่าดุขามสุข้างวา่ า, วาตาสมิงปินิบินตติย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกนั้นย่อมเบื่อหน่ายในโสในหูนั้นโสตย่อมเบื่อหน่ายในเสียงนั้นย่อมเบื่อหนายในวิญญาณในวิญญาณอาศัยสโสนั้นย่อมเบื่อหนายในผัสสะอาศัยสโสนั้น ย่อมเบื่อหน่ายเกิดความในความย่อมเบื่อหน่ายในความเกิดความรู้สึกเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีย่อมเบื่อหน่ายทั้งในความรู้สึกนั้นคือเบทนาเบื่อหน่ายทั้งคานะคานะคานะคือจมูกอะ ขณนะย่อมเบื่อน่ายทั้งกลิ่นทั้งหลายย่อมเบื่อน่ายทั้งวิญญาณอาศัยขนะย่อมเบือหน่ายทั้งในสัมผัสอาศัยขนะในอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะานะสัมผัสเป็นปัจจัยไม่อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีคือเวทนาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีย่อมเบือหน่ายทั้งความรู้สึกนั้น เบื่อนายทั ina, honestly, Gloria, all, ina, man, ้งเสีวหาเบื่อหนายทั้งรถทั้งหลายเบื่อหนายทั้งในวิญญาณที่อาศัยเสีวหาท่านพูดพันกันไปหมดแล้วเนี่ยพันย่อมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณอาศัยกายย่อมเบื่อนายทั้งในสัมผัสอาศัยกายเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีย่อมเบื้อหนายในความรู้สึกนั้น บื้อหน่ายในมณ ะ, ะมณะขึ้นคือใจเบื้อหนายในใจนี่แหละที่หลวงตาท่านเอามามาเทศว่าท่านลงใจว่าธรรมะข้อนี้ท่านพูดถึงธรรมถึงใจท่านพูดถึงใจด้วยในอนัตตะลคณาสูตรไม่ได้พูดถึงใจพูดถึงแต่ขันขันห้า หลวงตาท่านตีความหมายไปว่ามณะคือใจนอกเหนือไปจากขันห้าอันนี้เบือหน่ายถึงใจทั้งหนธรรมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณอาศัยมณะย่อมเบือหน่ายในสัมผัสอาศัยมณะย่อมเบือหน่ายในอารมณ์ที่เกิดขึ้น ในมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกขก็ดีไม่ถูกไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีย่อมเบื่อนหน่ายทั้งในความรู้สึกนั้นเมื่อเบื่อนหน่ายย่อมคลายความติด เ, เมื่อเบื่อนหน่ายย่อมคลายความติดเพราะคลายความติดจิตก็พ้นเมื่อจิตลลลลพต้นแล้วก็มีญาณรู้ว่าพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําให้สำได้ทําได้ทําำกิจที่ควรทําได้ทํำสาเร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตัดพระสุนี้จบพระสุขก็มีใจยินดีเพลิดเพลินภาสิทพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือพวกคนมีบุญต้องหลาย ฟังปุ๊บฟังจบปุ๊บได้บรรลุปับ๊บฟังปุ๊บได้บรรลุปับ๊บแต่มหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้เป็นบทฝึกซ้อมเป็นบทฝึกปรือ เป็นบทฝึกซ้อมเป็นบทฝึกปลืออาศัยเป็นบทฝึกเป็นเครื่องฝึกอาศัยสติเป็นตัวฝึกรับได้กับคนทุกประเภทที่เริ่มฝึกเริ่มตั้งอกตั้งใจทมและก็ตั้งใจทำล่วงไปกลางกลางร่วงไปตั้งอกตั้งใจทำมามากแล้วทำได้นานแล้วรวมทั้งมีคุณสมบัติเกิดขึ้นในหัวใจแล้วโดยลาดับ หลักของการมหาสติอันนี้เป็นวงในแต่แ ท, ท้ของการทำงานมหาสติเนี่ยท่านบอกถึงคุณสมบัติของจิตมีสติมีสัมผชัญญะมากำหนดจดจอ่อเพื่อที่จะรู้สิ่งที่เป็นริษเป็นเดชแสดงริษแสดงเดชออกมาด้วยอำนาจของความอยากคือเจ้าตัญหาแสดงเข้าในหลกักปฏิจจสมุปบาทที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ย ไล่มาตั้งแต่อภิชาสังขารวิญญาณนามรูปนามรูปนามรูปผัสธะเวทนาตัณหาอุปาทานะปฏิจจสมุปบาทแสดงไล่มาโดยลำดับแสดงถึงเส้นสายของตัณหาใหม่ที่มันเป็นเส้นเป็นสายที่มันมันก่อตัวน้วเกิดขึ้น ตัญหาเก่ามันก่อตัวมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเส้นสายที่ตัญหาใหม่ก่อตัวและเกิดขึ้นใหม่ตัญหานี้เป็นตัญหาใหม่เกิดเวทนาเกิดตัญหาทีนี้การเจริญสตินั้นท่านให้เอาสติมากําหนดจดจ่อเพราะสติมันเป็นตัวโพล่งตัวตื่นมันมีตัวฉาคระความตื่นความโพร่งในตัวเอาตัวตื่นนี่แหละมาตั้งมาเป็นตัวตั้งและดําริ แล้วก็ทำงานใช้สติผูกมัดกายเวทนาจิตแล้วก็ทำอาศัยสติเป็นผู้ทำงานสติก็คือคุณสมบัติของจิตก็มดจดจ่อย้อนมาดูเสร็จแล้วเราก็สามารถทดสอบได้ว่าเรามีสติเต็มแปร่อยู่เนี่ยจิตของเราเหมือนก็สว่างโล อวิชชาคือความมืดมันครอบคลุมจิตไม่ได้เมื่ออวิชชาครอบคลุมจิตไม่ได้ตันหามันก็คลุมจิตไม่ได้เมื่อตันหาคลุมจิตไม่ได้เวทนาก็ศักดิทว่าเวทนาไม่มีตันหาเมื่อไม่มีตันหาหมายความว่ า, าตันหามขาดช่วงอุปปา ท, ทานมันก็ไม่มีนี่หมายถึงอุปปา ท, ทานเก่า หมายถึงตันหาใหม่หมายถึงตันหาใหม่หมายถึงตันหาตันหาใหม่หมายถึงอุปาทานใหม่อุปาท า, านเก่าตันหาเก่ามันส่งมาแล้วอันนี้เป็นตันหาใหม่ที่มันมาสร้างรวงสร้างรังสร้างระบบให้กับวงเผ่าพันธุ์ของมันมันสร้างขึ้นเกิดขึ้น ไม่เหตที่เราตั้งอกตั้งใจเจริญอย่างนี้มันเป็นการตัดความทุกขโทมนันสสักอุปายานตัดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงราณนี้ออกได้อาศัยสติสัตวรารลึกรู้ไม่ให้อัตตาโผล่ขึ้นมาไม่ให้อัตตาโผล่ขึ้นมาตราบใดที่ตันหามันโผล่ขึ้นมาอัตตาก็โผล่ขึ้นมาตราบใดที่อัตตาโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมา มันโผล่ขึ้นมาที่จิตมันมาครอบจิตมันมาครอบจิตมันก็ดือจิตไปใช้เรากําหนดจดจ่อที่ท่านเรียกว่าสังวรสังวรสังวรประทานเรามาระวังด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสติเป็นหนึ่งเดียวที่จะทําให้คุณสมบัติสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามเกิดขึ้น <c oughs> ถ้าไม่มีคุณสมบัติของจิตคือสตินี้อืไม่รู้จะเอาอะไรมาศึกษา เกิดความก้าวหน้าเพื่อที่จะปล่อยที่จะลดที่จะละที่จะวางตันหาทั้งทั้งหลายทั้งปวกเหล่านี้ได้ด้วยเหตุที่เรามีเครื่องมือชั้นเยี่ยมวันนี้เราจึงสามารถต่อกอนได้กําหนดจดจอขัดสีอยู่นั่นแหละพยายามตั้งสติกําหนดรูให้คนรู้ว่าอ่า ภาวะสภาวะที่มีปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่อาศัยสติสัจตะว่าระลึกรู้ระลึกรู้ถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้นี่มันรู้เห็นมันก็ชอบใจยึดแล้วเกิดเว็นธนาแล้วเกิดอันหาเกิดรุปาัานตามมนมันคอยแต่จะยึดมันเกิดชับเดียวนี่ยึดได้เลยถึงทั่วถึงกันหมด แต่เวลาเรามาพูดแล้วก็ไล่ไปเป็นระลอกระลอกระลอกแต่เวลามันเกิดมันเกิดชับเดียวถึงกันหมดเราตั้งสติโรขึ้นมาชับเดียวมันตัดก็คือตัดตคาขาดไปหมดเมื่อเราปล่อยมันเกิดเมื่อเกิดเกิดเกิดเป็นเส้นเป็นสายชับเดียวเกิดหมดถ้าพูดถึงตัดดับชับเดียวดับหมดนี่อาศัยผู้รู้ในปัจจุบันในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ย เราเอานี้มาเป็นบทฝึกซ้อมเอามาเป็นบทฝึกซ้อมเพื่อปฏิบัติสมถะก็ตามสมถะก็ต้องอาศัยสติไม่มีสติสมถะก็เกิดไม่ได้วิปัสสนาก็อาศัยสติไม่มีสติวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้สติก็คือความระลึกได้ก็เกิดจากจิตนั่นแหละ พร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตแต่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งมีคุณสมบัติปลุกตื่นรู้อยู่นั่นแหละตราบใดที่มีสติกำกับจดจ่ออยู่โมหะมันก็ครอบขิดไม่ได้อวิชชาตันหามันก็ครอบขิดไม่ได้แล้วพูดนี้เราต้องผ่านการประสบการจากการทำด้วยเราพิสูจน์ได้ พิสูจน์ได้ว่าตัณหามันครอบงำจิตเราไม่ได้ด้วยเหตุที่เหตุที่เราตั้งสติกำหนดจดจ่ออยู่ท่านจึงเรียกว่ามหาสติมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเอาสติมาพิจารณากายเป็นกา ย, ยานุปัสสนาตามระลึกรู้กายว่ากายสัจตว่าสัจตวา คว่าสักเทว่าคือความยินดีเมื่อเกิดความยินร้ายไม่เกิดกายสัพตะวากายเวทนาสัพตะวะเวทนาความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดท่า น, นใช้คําว่าสักตทว่าสัพตะวะสติระลึกรู้ว่ากายสัพตะวากายกายมีอยู่แต่ไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายของของเรา ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันมีอยู่อาศัยสติสักจะว่ราระลึกรู้รู้ว่ากายมีอยู่สภาวะที่เป็นกายมีอยู่แต่ไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเราพยายามดูดูให้ชัดมันจะเห็นสัจจะว่าจริงจริงเวทนาเหมือนกัน แต่เราด้วยเหตุที่เราอุปาทานเรายึดเรายึดกายพอเรายึดกายเวทนามันโผล่ที่กายเราก็ยึดเวทนาอีกโอ้กายเราเจ็บกายเราปวดยึดเวทนาแล้วก็ยึดจิตอีกโอ้จิตเราเราเป็นจิตจิตเป็นเราอืจิตสักเทวะรู้รู้สักเทว่ารู้ร ท่จึงให้ว่ารู้สักดิ์ทวารู้แต่มันทํางานฉับเดียวเนี่ยมันถึงกันหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมนี่เราเจริญมหาสติเจริญมหาสติเพื่อปิดกัน้นไม่ให้ตัณหามเกิดขึ้นไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นจนสามารถสงบระงับดับไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ตัณหาปัจจุบัน ไม่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดไม่ได้ไม่ปล่อยช่วงระหว่างให้มันเล็ดลอดออกมาได้คือของใหม่ไม่เกิดหมายความว่ากิเลสใหม่ไม่เกิดตันหาใหม่ไม่เกิดทีนี้เมื่อตันหาใหม่ไม่เกิดเหลือตันหาเก่าเพราะตันหาเก่ามันส่งเรามาแล้ว กนที่จะมาเกิดตันหาใหม่ก็คือตันหาเก่ามันส่งนํามาแล้วเหมือนกราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนที่มันพยายามปลูกฝังเพื่อสร้างรวงรังเผาพ mm. ัานเขาหมันเอาไว้ในเมื่อของใหม่มันไม่เกิดของเก่าเราก็ตามไปพิจรารณาเช่นอย่างมันยึดรูปทั้งการไปคลี่คลายที่รูปดูข้อเท็จจริงที่รูปรู้สัจธรรมที่รูปไปคลี่คลายที่เวทนา คลี่คลายที่เวทนาเพราะมันยึดเวทนามันยึดกายมันยึดเวทนาแต่ถ้ามันยึดมาที่จิตท่านจึงให้พิจารณามาที่จิตด้วยเหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อกีเราสวดเวทนากับเราสวดจิตเนี่ยกับเราสวดนิวรณ์นิวรณ์ห้านิวรณ์ห้านี่เป็นธรรมเป็นบทธรรมที่เป็นพผกตกลึกอยู่ที่หัวใจตกลึกอยู่ที่ใจ ท่นเรียกว่าทำทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดทุกอย่างท่เรียกว่าธรรมธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์การพิจารณาธรรมคือธรรมอารมณ์นี่แหละพิจารณาเวทนารวินารปสัญญาจิตสุขจิตทุกสุขรู้ว่าสุ ข, สข สุขม so so ีอามิตรก็รู้ว่ามีอามิตรสุกประจักษ์อมิตก็รู้ว่าสุกประจักษ์อมิตรจิตทุกก็รู้ว่าทุกอืจิตไม่สุขไม่ทุกก็รู้ว่าไม่สุกไม่ทุกจิตมีอามิตรยึดอามิตรจนเป็นเหตุให้ทุกก็รู้ว่าจิตมีอามิตรไม่มีอามิตรก็รู้ว่าไม่มีอามิตรคาว่าอามิตรก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดทุกนั่นแหละถือ คือเวทนาหนึ่งมันก็พันกันไปหมดนะเราจะพิจารณาเวทนาก็พันมาที่จิตนั่นแหละจะพิจารณากายก็พันมาที่จิตนั่นแหละพิจารณาจิตก็พันมาที่จิตนั่นแหละงานท้งนี้มันถึงกันหมดนี่เวทนาอันนี้เป็นบทฝึกซ้อมทดสอบเป็นข้อปฏิบัติเป็นแบบฝึกหัดเนีย เป็นพระสูตรที่เป็นพระสูตรที่ทำให้เราเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อฝึกหัดเจริญตามนี้เจริญตามนี้แต่ถ้าเป็นคนมีบุญคนมีบุญฟังปุ๊บบรรลุ ป, ปับเหมือนกันเหมือนอย่างพระพาหิยะเนี่ยพระเจ้าสอนเธอจงเห็นสักเทวาเห็นได้ยินสักเทวะได้ยิน คืไม่ให้มันยินดีในตาในรูปไม่ให้มันยินดีในในเสียงเห็นสักจะว่าคําว่าสักจะว่ามีสติระลึกรู้แล้วสักจะวารู้ไม่ปล่อยให้ความยินดีความยินร้ายเกิดขึ้นพระพายะทรงจิตทรงกระแส จ, จิตตามนั้นพระเจ้าเทพจบหนึ่งคาถานะได้บรรลุเป็นพระราห์พระพายยะคือคนที่มีบุญ เพราะนั้นธรรมะนี้จึงสามารถฟังได้ตั้งแต่ระดับพื้นๆไปจนถึงคนมีบุญยิ่งใหญ่มาแล้วก็ยิ่งได้รู้ง่ายเข้าใจง่ายเห็นง่ายกับถูไถไปตั้งแต่ปะทะป ร, ะประมามะเหมือนอย่างพวกเราก็ถูเข้าไปไถ่าเข้าไปถูไถ ข, ขัดเกลาอยู่นั่นแหละหัดตั้งสติอยู่นั่นแหละสติกับสัมผัสัญญะมันสัมพันธ์กัน เป็นอาการของจิตสติก็เป็นอาการของจิตภาษาพิธรรมที่เรียกว่าเจตสิกธรรมเป็นโสภณเจตสิกเป็นเ จ, เจตสิกเป็นอาการของจิตที่งามโสภณะเจตสิกสติสัมปชัญญะเราดูจับให้ได้ว่าอ๋อนี่สติตอนนี้จิต ของเราทรงสติไว้เต็มแปรจิตของเราตื่นรู้โรอยู่ในนั้นก็มีสัมผชัญญะด้วยคือความรู้ตัวสติกับสัมผชัญญะมักจะปรากฏพร้อมๆกันมักจะปรากฏด้วยกันสัมผชัญญะคือความรู้ตัวแต่สติมันจะทำงานเป็นขณะยับยับยับอืม สัมมัญนยะประคอเงเอาืยึดเอารู้ตัวประคอเงเอาืยึดเอารู้ตัวประคอเงเอาืยึดเอาสติกับสมัมมัชนยะคือความรู้ตัวความรู้ตั ว, ร, ตวรู้ตัวว่าเรากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนกําลังบริกร ver, มกร as, มการ ical, ํกาลังภ า, ibo, าวนากําลังกําหนดจุดจ่อกําลังทําผิดกําลังทําถูกโอ้ละเอียดสมัมมัชนยะนี้ละเอียด รู้ทั้งหมดรู้ตามทั้งหมดที่ท่านบอกรู้ตัวรู้ตัวบางทีเราทําผิดไม่รู้ตัวน่ะหมายความ่าขาดสัมผััญญาขาดสติขาดสัมผัสัญญาขาดสติระลึกได้ระลึกได้ว่ากําลังทําไม่ถูกกําลังทําผิดขาดความรู้ตัวระลึกไม่ได้ว่าว่าเจ้าของกําลังทําผิดอยู่ขาดความรู้ตัว เราพยายามส่งอันนี้ไว้ให้เต็มแพร่โรอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจสภาวะธรรมเหล่านี้แต่เราเจริญสองสองแบบแบบสมถะเริ่มแรกเราก็เอาพุทโธอย่างเดียวเลยให้มีความสงบเมื่อจิตของเราอยากพิจารณาเมื่อจิตอยากพิจารณาเราจึงเอามาพิจารณาตามหลักมหาี่ประทานอืม จับต่อเนื่องมาเลยเพื่อให้ทำงานเพื่อให้งานของเราไม่ติไต่าันการที่เราอยู่กับอารมณ์เดียวนั้นให้จิตสงบจิตสงบแนบแน่นมั่นคงเขาเรียกว่าเป็นจิตตั้งมั่นจิตสงบจิตตั้งมั่นนี่คือจิตมีสมาธิแต่ก็ต้องอาศัยสตินั่นแหละทำให้จิตดวงนี้อยู่เป็นสมาธิได้อยู่กับอารมณ์เดียว ไม่หิวกับอารมณ์ไม่หิวรูปไม่หิวเสียงหิวเลี่นหิวรสไม่หิวโพธพภะไม่หิวทั้งหมดอยู่กับสิ่งหนึ่งเดียวที่พายอิ่มคืออารมณ์อารมณ์นั้นนี่คือความแนบแนีนของจิตจิตสงบจิตในความสงบนั้นมีความสุขเลยมีความเยอเือกเยน็นมีความสงบมีความสุขมีความเบาสบายปลอดโปรง่ง รวมไปถึงมีฤทธิ์มีเดชมีอริยญายนะเรื่องความสงบของจิต เ, เรื่องพลังของความสงบเนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับจิตทั้งคดีโลกทั้งทางคดีโลกและทั้งทางคดีธรรมเราเจิญมาติ ละเอียดมากที่ท่านเอามารวมกันไว้เป็นสภาวะธรรมทั้งหมดอาศัยสติเป็นแกนนำในการทำงานเราบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเป็นสมถะพุโทโธแล้วก็ย้อนมาดูที่จิต พุโทโธแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตพุโทโธแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตเอาอะไรย้อนเอาจิตนั่นแหละย้อนมันย้อนได้นะย้อนมาดูจิตเอาผู้รู้ย้อนมาดูผู้รู้แบบนี้เป็นจิตตานุปัสสนาพุโทโธย้อนมาดูจิตพุโทโธย้อนมาดูจิตถ้ายสงบอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วก็ พุโทโธพุทหายใจเข้าพุทหายใจเข้าโธหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้ก็เป็นอานาปานสตินี่เป็นมหาสติแต่ถ้าการเพ่งฌานลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเพ่งดินเพ่งน้ําหรือเพ่งไฟอย่างเงี้ยให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ย นี่ก็เป็นสมถะทําให้จิตสงบคอยจิตสงบซะก่อนจิตสงบได้หมายความว่าจิต ด, ดวงนั้นนี่หยุดตัณหาได้ตัณหาไม่โดดดิ้นในใจถ้าจิตสงบไม่ได้คือหยุดตัณหาไม่ได้ตัณหามันแทรกเข้ามาไปใช้งาน ตัณหาสเสกขามาเลยเอาจิตของาไปใช้งานจิตสงบคือจิตหยุดตัณหาแล้วมันอิ่มเออเพราะมันมันไม่หิวมันไม่หิวเยื่อเยื่อข้อมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภณะนะัณฑ์นั่นแหละคืออารมณะนะ์นั่นแหละมันไม่โดดดินไปตามอารมณ์สิ่งที่พาโดดดินไปตามเรามันคือตัณหาความอยากของจิต ความยอทยานของจิตความดิ้นรนของจิตเพลอให้กับมันนั้นมันพาไปนึกไปคิดไปปรุงอยู่ร่าไปจิตไม่สงบไม่สงบก็คือมันดิ้นไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นนั่นแหละจิตมันหิวหิวอารมณ์เหล่านั้นจักไม่อยู่เกาะไม่อยู่ดึงไม่อยู่ทําไงก็ไม่อยู่ อันนี้พวเราย้อนมาดูเราก็จะเห็นจิตเราอยู่หรือจิตเราไม่อยู่ตราบใดที่เราปลุกสติของเราให้ตื่นโร่อยู่จิตของเราจะอยู่เพราะผู้รู้นั่นะมันทํางานชัดเจนได้หนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่จิตตั้งหากสติตั้งหากเวลามันเกิดขึ้นมันกํากับไปด้วยกันสัมปชัญญะก็อยู่ในนั้นสติก็อยู่ในนั้น อยู่ในจิตนะสำหรับฉันแยกก็อยู่ในจิตบางครั้งเราไปแยกชื่อแยกไปแยกมาแล้วเรางงแต่เราพยายามดูมาที่กิจาการของจิตเนี่ยเราจะไม่งงเราจะไม่สับสนเรากำหนดดูความอยากความอยากก็คือตัณหาตัณหาคือความอยากแต่ถ้าอยากอบรมมากอยากอบรม เพื่อมรักเพื่อผลเพื่อนิพพานอนี้ทนว่าเป็นมรรคแต่ถ้าอยากตามอำนาจของตัณหานั่นแหละมันเป็นเรื่องของสมุทยัยแต่ดูให้รู้จักความอยากใ น, นหัวใจของเราซะก่อนเราค่อยมาแยกเยะทีหลังว่าโอ้อันนี้อยากเป็นมรรคเรารีบรีบเร่งส่งเสริมให้มันโอ้อันนี้เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกรีบตัดรีบชะลอ รีบสัมรวมรีบระวังแต่พอเรากําหนดจดจ่อรู้ทันมัน ม, มันมั น, จจนมันก็หยุดจดจ่อรู้ทันมันก็หยุดจดจ่อรู้ทันมันก็หยุดสับเข้าสับออกสับเข้าสับออกย้อนเข้าย้อนออกย้อนเข้าย้อ น, นออกเราจะชำนาญชนานาญเอาสติมาใช้งานแล้วก็สามารถรู้เท่ารู้ทันตัณหารู้ทันก็คือรู้เท่ามัน รู้เท่าที่มันมีมันเป็นไม่ให้ความอัศจรรย์กับมันรู้เท่าที่มันมีมันเป็นมียังไงเป็นยังไงเราก็รู้เท่าอย่างนั้นคือรู้ทันรู้ทันมันมันจะดึงจิตของเราไปใช้ไปหลอกเพื่อราคะเพื่อโทสะเพื่ออิจฉาริษยาพยพยาบาณเรารู้ทันเรารู้ัปมกระดับเรารู้แปมกระดับจอแผดเผาอยู่นั่นะ แผดเผาเป็นตะป ร, รมทมแผดเผาอย่ในนั้นตันหาใหม่มันไม่เกิดตันหาเก่ามันก็เร่าร้อนเหมือนกันเย่ป่ า, ามันไม่เร่าร้อนเพราะมันอยู่ที่ใจดวงเดียวเนี่ยในเมื่อใจเราเริ่มดีขึ้นใจเราเริ่มฉลาดขึ้นมันก็เห็นเห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วแล้วก็เห็นทันรู้เท่ารู้ทันรู้เท่าที่มันจะเปลี่ยนแล้วก็รู้ทัน ถ้าเราไม่รู้ทัน่ะมันดึงไปก่อนแล้เรามารู้ตามหลังมันไปดึงกลับมางนี่เขาเรียกว่ารู้ไม่ทันแต่ถ้ามันอยู่โรู้จบพอน้ามันมักจะรู้ทันรู้เท่ารู้ทันมันสามารถกันได้แก้ได้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้แก้จิตตรงนี้ไม่ให้มันดิ้นไปตามสัญญาที่เป็นเรื่องของตันหาราคะ กิจชาที e at, iente, Ali, ่เสียพยาบาลอืมันเวทนามันก็สวมรอยมาให้เราลงง่ายๆสัญญาก็สวมรอยลงมาให้เราลงง่ายๆช่องทางที่มันจะเกิดปรุนไปหมดในจิตดรงนี้กิริยาแกะกเดียวองจิตดวงนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะสวมรอยมาเกิดได้แต่ในเมื่อเราระวังได้ของก็ดับ ดับได้ที่ช่องใจช่องเดียวช่องอื่นก็ดับหมดเราปิดกั้นช่องเดียวเท่ากับปิดกั้นช่องช่องอื่นทั้งหมดแต่ว่าหกสิบช่องมันเป็นสื่อที่มันจะเข้ามาได้ทุกช่องเลยเชอย่างตาช่องหนึ่งหูช่องหนึ่งจมูกลิ้นกายใจแต่ละช่องแต่ละช่องรูปเสียงกินรถคนทั้งบ้าทำอารมณ์แต่ละช่องแต่ละช่องวิญญาณ ขุมวิญญาณสตาวิญญาณเกิดความผู้แจ้งทางตาหูจมุกลิ้นกายใจเป็นแต่ละช่องแต่ละช่องผัสสะกระทบและท่านและต่จะเรียกมันเป็นเวทนาด้วยมันเป็นผัสสะด้วยมันเป็นวิญญาณด้วยมันเป็นกิริยาที่เกิดที่จิตอะไรมันก็ถึงกันหมดอะไรมันก็ถึงกันหมดอันเดียวเกิดขึ้นมาแทนชื่อพราะนั้นทั้งหมดเพราะนั้นก็ดับหมด แต่ว่ากิริยาที่มันจะสวมรอยมามากมายมหาศาลเนี่ยพรุนไปเลยสํารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่ากับสํารวมหมดมเวทนาเนี่ยถ้าหากเรารู้ทันเน่ะเวทนาสักตวเวทนาแต่ถ้ า, าเรารู้ไม่ทันเราจะยินดีในเวทนาดีเราจะยินร้ายในเวทนาร้ายสุขทุก นี่เป็นเวทนาเราจะยินดีในสุขเเวทนาเราจะไม่ยินดีในทุกเขเวทนาแต่ถ้าหากเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็ยินดียินดีหมายความยึดเอาเวทนาสุขเวทนาขยึดเอาทุกเขเวทนาขยึดเอาไอสิ่งที่มันชอบใจมันดึงมามันดูดมามันดึงมาสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ผลักออกไปทั้งสองอย่างนีมีค่าเท่ากัน สืบเนื่องจากตันหามันสวมรอยเข้ามามันเลือกเอาตามใจชอบเพรามันอันนั้นดีมันชอบอันนั้นไม่ดีมันชังอันดีมันโกยเข้ามาอันนั้นไม่ดีมันเตะทีบออกไปมันเป็นเรื่องของตันหาที่มันคอยมาคัดสารมันเลือกเอาอีกตั้งหากเมื่อเราจ่ออยู่มันไม่เกิด ไม่เกิดเวทนาก็สักตวะเวทนาเวท น, นาสักตบะเวทนาจริงๆเราไม่มีใจพลอยยินดีไปกับสุขเวทนาไม่พลอยยินร้ายไปกับทุกขเวทนาจักตบะรู้จริงๆเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหามันก็ไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดเพราะมันเป็นระลอกที่จะรับช่วงในในในในในต่อมาต่อเนื่องมาเนี่ย ปัญหาไม่เกิดพบก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดเราจะเอาโสกพรริเทวะทุกขโทมนัสสะมาจากไหนในเมื่อมันไม่เกิดเนี่ยสองค่ง เอาใครจะเอาสมถะต่อหรือใครจะเอามหาสติต่อวิปัสสนาต่อจะเอาได้นังภาวนาไปพักหนึ่งใครหายใจแรงก็รีบสะ ก, กิดกวนหมูหายใจผิดปกติ คือค่า ค, ค่ามเนี่ย อย่าเอาไปนอนแถวนี้เด้นั่งหลับกว้มันหลับอยู่กับที่นั่งเนี่ยฮะฮั่นปิดไฟฮห่หลับง่ายเลยนี่ฮะเฮ้ยฮ ห, ห่ปิดไฟหลับง่ายเลยเทนี่เปดพื้นตลอดหนึ่ง หลับ nhau เป็นแคเลยนี่ย